ปกติสัตว์ทั้งหลายมันมีจริตอยู่สองอย่างคือทิฏฐิจริตกับตัณหาจริตพวกที่ทิฏฐิจริตก็คือพวกหนักไปทางอาวิชช า, าพวกตัณหาจริตก็เลื่เพลินในการมมรุณมันก็มีอยู่สองอย่างไม่ทิฏฐิจริตก็ตัณหาจริตในจริตทั้งสองนี่ก็แก้ด้วยสมถะ ก, กับวิปัสสนา สมถะเป็นตัวแก้ตันหาจริตวิปั ส, สนาในแก้ทิธิจริตหรืออวิชชานี่ถ้าไม่มีสิ่งที่ตรงกันข้ามมามาเพื่อที่จะให้เห็นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ที่จะเปลี่ยนจากจริตติจริตหนึ่งขึ้นสมมติถ้าเราจะให้เขาเห็นโทษของกามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาไม่มีสมถะถ้าเขาไม่มีความสงบจริงๆเนี่ย ที่จะไม่ให้เขาทะเยอทะยานในการมเป็นไปไม่ได้จะไม่ให้เขาเห็นผิดไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความรู้ในอย่างวิปัสนาที่แยกแยะนั่นแหละเพราะกิจของวิปัสนาคือการเข้าไปพิจารณาเข้าไปศึกษาเข้าไปแยกแยะใคร่ครวนอย่างละเอียดละ อ, อีทีท่วนในวัตถุนั้นๆนถ้าไม่มีสมรถรถะกับวิปัสนามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะหันมามาเห็นโทษของกรรม หรือจะออกจากทิฏฐิอันนี้ไม่ใช่ฐานนะแต่ก็มีอยู่บ้างนะในในคนที่ปริมาณจำนวนน้อยที่เห็นโทษของทั้งตันหาทั้งทิฏฐิเหล่านี้เพราะว่าทั้งตันหาทั้งทิฏฐิมันมีอาสาทาอยู่ด้ว ย, ย, ยดูในหน้าร้อยสี่สิบเลยนะ ในปฐมทวยสูตรนั่นนะ ทวยะก็คือทวีนะแปลว่าสองก็คือพูดถึงธรรมะสองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายเราจะแสดงส่วนสองแก่เธอทั้งหลายเนี่ยนะเธอทั้งหลายจงฟังก็ส่วนสองเนี่ยเป็นไงนะคือจักสุ ก, กับรูปหูกับเสียงเนี่ยนะโสกับเสียงขานะกับกลิ่นชีวหากับรสกายกับโพธภะ ใจกับธรรมรมณ์นี้เรียกว่าทรรมคู่ดูความที่สูตทั้งหลายผู้บุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบอกเลิกส่วนสองนั้นเสียแล้วจากบัญญัติส่วนสองเป็นอย่างอื่นวาจาของบุคคลนั้นกันให้เป็นเรื่องของเทวดาก็บุคคลนั้นถูกเข้าถามและเข้าก็อธิบายไม่ได้และถึงความอึดอัดยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยก็บอกอกันว่าเป็นเรื่องของเทวดาก็คือเหมือนพูดถึงเทวดานะที่ที่เอามาเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้ก็เหมือนกับพูดถึงสัมนวนไทยเรียกว่าพูดถึงสวรรค์วิมานที่ไหนว่างั้นเถอยมันหาเอามาเป็นตัวอย่างเป็นข้อเปรียบเทียบไม่ได้นะคือถ้าจะบัญญัติสิ่งอื่นนอกจาก ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรุกายกับโพธาภะใจกับธรรมรมนะจะมาบัญญัติอย่างอื่นก็คือยกเมฆมาพูดนั่นเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นแทะก็ถ้าหากว่าจะบอกบัญญัติอย่างอื่นเข้าถ้ามีคนถามว่าเดือดร้อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความจริงเลยนะตากับสีเนี่ยเป็นความจริงนะหูกับเสียงก็เป็นความจริงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรุกายกับโพธาภะใจกับธรรมรมเนี่ยจริงไหม เรื่องนี้จริงดีไหมดีไหมคุณธภารจริงเนี่ยของจริงไงดีนะดียังไงดียังไงตากระสีเนี่ยหูกับเสียงดียังไงจริงแต่ว่าจริงแบบทุกข์สัตย์ <c ười> คือเป็นความจริงที่เป็นทุกข์อ่ะนะเป็นทุกข์ขังอ่ะนะทุกข์คือถ้าเราใช้คําว่าทุกข์เนี่ยเราก็ต้องแบบให้พยายามนึกถึงคาแปลแบบบาลีะนะทุกบวกขัง ทุไม่ดีขังว่างขังแปลว่ามันว่างเปล่านะทุแล้วไม่ดีนะคือสิ่งนี้จริงละพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่จริงจริงแต่เป็นความจริงในฐานะทุกขสัตว์นั่นะนะนะทุกขสัต์สูตรที่สองเลยนะทุติยทวยสูตรกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสอง วิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัายส่วนสองเนี่ยเป็นอย่างไรจักรสุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักรสุและรูปจักรสุไม่เที่ยงแปรปรวนมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นส่วนทั้งสองนีหวันไหวและอาพาธไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่น จากสุวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นแม่เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจากสุวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นดูกานพิสูจทั้งหลายก็จากสุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงแต่ไหนดูการพิสูจทั้งหลายความประจวบ ความประช mind, no ุมความพร้อมกันแห่งธรรมะสามอย่างนี่แลเรียกว่าจักขู่สัมผัสถึงจักโสสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปลี่ยนมีความเป็นอย่างอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักโสสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นก็จักโสสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน ดูก่อนพี่สูท่ท้งหลายเวทนาอันผัสสะกระทบแล้วย่อมเสวยเจตนาอันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดสัญญาอันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำานะแม้ธรรมะเหล่านี้ก็วันไว้และอาพาธไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นแล้วก็เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเวทนาเจตนาสัญญานี่นะ ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นแล้วตัวเวทนาเจตนาสัญญาเนี่ยจะเป็นของเที่ยงจะเป็นของมั่นคงมาแต่ไหนเนี่ยนะก็คือเป็นการกล่าวถึงธรรมะพร้อมทั้งปัจจัยนนะพูดถึงว่าปัจโยบันก็ไม่เที่ยงปัจจัยที่จะทําให้ปัจจยบันเกิดก็ไม่เที่ยงถ้าปัจจัยไม่เที่ยงผลของผ่องของปัจจัยนั้นอาจจะเที่ยงมาแต่ไหนเนี่ยนะก็คือไล่ถึงความไม่เที่ยงไปเลยนะ นะเช่นตาไม่เที่ยงสีไม่เที่ยงแต่ตากับสีนี้ให้เกิดจากครูวิญญาณแล้วจากครูวิญญาณที่เกิดจากตาที่กับสีที่ไม่เที่ยงจะเที่ยงมาจากไหนอาศัยตากับสีเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษะก็ไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงก็ตามันไม่เที่ยงสีไม่เที่ยงจากครูไม่เที่ยงภาษะมันจะเที่ยงมาจากไหนนี่ภาษาเนีเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา นี่เวทนาเนี่ยก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเ พ, ออเพราะอะไรเพราะปัจจัยที่เป็นเหตุให้ก็ไม่เที่ยงตัวมันเองก็ไม่เที่ยงสัญญาเจตนาก็เหมือนกัน น, นะนะสรุปก็กล่าวว่าการเกิดขึ้นของธรรมะทวารตานี่ก็คืออุปาทานขันห้าที่เกิดขึ้นปัจจัยที่ทําให้เกิดอุปาทานขันเราขันห้าเหล่านี้ก็เป็นสภาพไม่เที่ยงนะนะดังั้นตัวขันห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราเนี้จะเป็นของเที่ยงมาจากไหนเนี่ยนะ ขวันหูก er so ็เหมือนกันนะหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงแล้วโสตะวิญญาณจะเที่ยงมาจากไหนหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตะวิญญาณไม่เที่ยงแล้วภาษนจะเที่ยงมาจากไหนถ้าภาษาไม่เที่ยงแล้วเวทนาจะเที่ยงมาจากไหนถ้าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาเจตนาจะเที่ยงมาจากไหนนั่นนถ้าจมูกไม่เที่ยงเปลนไม่เที่ยงคานาวิญญาณเที่ยงมาจากไหนล่ะนั่นนถ้าจมูกกลิ่นคานาวิญญาณไม่เที่ยงแล้วภาษะจะเที่ยงมาจากไหน ถ้าภาษาไม่เที่ยงแล้วเวทนาสัญญาเจตนาจะเที่ยงมาจากไหนเนี่ยถ้าลิ้นก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงชิวฮาวิญญาณก็ไม่เที่ยงนะ แ, แล้วภาษาที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จะเที่ยงมาจากไหนภาษะเนี่เป็นปัจจัยจึงมีเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยนะแล้วสัญญาเวทนาเจตนาสัญญาเนี่ยจะเป็นของเที่ยงมาจากไหนกายก็เป็นส ح ح ภาพไม่เที่ยง ทำโพธาภะก็เป็นสภาพไม่เที่ยงแล้วกายวิญญาณที่เกิดขึ้นจากกายกับโพธาภะจะเป็นของเที่ยงมาจากไหนเนี่ยถ้ากายวิญญาณไม่เที่ยงแล้วภาษาจะเที่ยงมาจากไหนถ้าภาษาไม่เที่ยงแล้วเวทนาสัญญาเจตนาที่เกิดจากกายจะสัมผัสเป็นปัจจัยอ่ะจะเป็นสภาพที่เที่ยงมาจากไหนมโนเนี่ยนะคือผวังก็เป็นสภาพไม่เที่ยงใช่ไหยทั้นแล้วมโนธรรม ก็เป็นสภาพไม่เท um ี <S <s ่ยงฉนั้นมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจกับธรรมอารมณ์เนี่ยฉะั้นใจอันนี้ก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นส่วนทั้งสองอย่างเนี่ยวันไหวและอาพาธไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่น มโนวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจากเป็นของเที่ยงมาจากไหนเนี่ยก็ความคิดเนี่ยมันจะเที่ยงมาจากไหนใช่ไหมมโนก็ไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่มันคิดนะเรื่องที่มันคิดก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอ่ะและไอ้ตัวความคิดอันนั้นจะเที่ยงมาจากไหนเนี่ย เพราะอะไรเพราะว่ามีใครมั่งคิดถึงธรรมชาติที่เที่ยงได้นะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะที่จะมีที่เรียกว่านิจธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็รับนิจธรรมเป็นอารมณ์ไม่ได้พราะงั้นก็รับแต่อารมณ์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงอั น, นความคิดมโนวิญญาณเนี่ยยังไงก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่า ตัวโมโนโที่เป็นฐานให้เกิดความคิดก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ถูกคิดมันก็ไม่เที่ยงและความคิดอันนั้นมันจะเที่ยงมาจากไหนว่างั้นมนโมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงมาจากไหนดูก่อนที่สู่ทั้งหลายความประจวบความประชุมความพร้อมกันแห่งธรรมะสามประการนี่แหลเรียกว่าโมโนสัมผัสแม้โมโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเนี่ยนะเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเวทนาอันภาษากระทบแล้วย่อมสเสวยเจตนาอันภาษากระทบแล้วย่อมคิดสัญญาอันภาษากระทบแล้วย่อมจําแม้ธรรมะเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นดูกว่าพิสูนทั้งหลายมโนวิญญาณย่อมเกิดเพราะอาศัยส่วนสองประการเนี่ยนะด้วยประการชนนี้แลอันนี้ก็พูดถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยงผลของปัจจัยนั้นๆก็ไม่เที่ยงแล้วสรุปเป็นเทศนาวิราช ท, ที่กล่าวถึงอุปาทานขันาเนี่ยนะปกติเราก็แบบ ฟังก็เออรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงก็จะว่าตรงๆแบบนี้ทีนี้พระองค์เออสำหรับผู้ที่ไปคิดอะไรซับซ้อนมากไม่ได้พระองค์ก็ให้แนวทางเอออาศัยจกักษุกับรูปเกิดจากขวิญญาณนะหรือว่าอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณถ้าปัจจัยไม่เที่ยงปัจจยุบันมันจะเที่ยงมาจากไหนเห็นไหมผลไม่เที่ยงอยู่แล้วถ้าเป็นพูดถึงกลองเลยนะตัว ตัวกลองก็ไม่เที่ยงไม้ตีกลองก็ไม่เที่ยงแล้วเสียงกลองมันจะเที่ยงมาจากไหนนี่นมันก็เป็นของที่ไม่ได้มีความมั่นคงถาวร อ, อะไรในทวารทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันนะพันสรุปว่าจะหาที่เที่ยงแต่หน่อยเดียวเนี่ยหาได้จากวัตถุเหล่านี้หาไม่ได้อยู่แล้วนนก็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นเป็นสภาพที่เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอัตตาหรือว่าเป็นของอัตตาไหมนั่นก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่อัตาก็ไม่ใช่ของอัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากความไม่แปรปรวนคือสรุปว่าสิ่งเหล่านี้อย่างไรเสียก็ต้องเป็นสภาพที่แปรปรวนแล้วสภาพที่แปรปรวนเหล่านี้มาจากไหนมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแรนเกิดเนี่ยนะถ้าไม่มีอายุหณะประมวล น, นาเกิดเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้ใช่ห ถ้าไม่มีนิฐานะคือเหตุสิ่งเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความประลิพธ์เนี่ยนะไม่มีการประกอบไม่มีการพัวพันไหมเนี่ยทุกเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันถ้าหากว่าเรามองทุกอันนี้นะคือในทวารทั้งหกหรือกล่าวว่าอุปาทานขันท่าในทวารหกเนี่ยถ้าไม่มีเหตุเพื่อประมวลนํามาอุปาทานขันท่าในทวารหกก็เกิดไม่ได้ นะเพราะว่าอุปาทานในขันท่าอุปาทานขันท่าที่มีอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจยเนี่ยนะในทวารทั้งหลายเหล่านี้มีนิทานเนี่ยมีอยู่อายุหณนะอายุหนะก็คือตัวที่พูดเมื่อคืนเนี่ยนะตัวนะ่นตัวตกแต่งขึ้นมาแล้วก็มีปริโภพด้วยนะมีความผัวพันมีความกังวลนั่นแหละเพราะว่าไอ้ตัณหาในก่อนเนี่ยมัน มันกังวลเนี่นะกังวลในอุปาทานขันอันนี้มากมันกลัวจะไม่มีอุปาทานขันอันนี้มันก็เลยประกอบไว้เนี่ยนะมันก็เลยตกแต่งก่อร่างสร้างขึ้นมาถ้าหากว่าคนที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยมากถามว่าต้องการสลัดออกไหมถ้าเห็นจริงๆแบบนั้นเนี่ยก็จะน้อมจิตไปในธรรมะที่สลัดออกน้อมจิตไปในอาสังคตะน้อมจิตไปในวิเวกเนี่ยนะ น้อมจิตไปในความสงัดนะวิเวกก็คือความสงัดเนี่นก็น้อมจิตไปในอมตะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีความตายก็จะน้อมจิตที่ให้ให้ให้เข้าถึงความสภาพที่ไม่ตายสภาพที่พ้นจากสภาพเหล่านี้แต่ว่าข้อสิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยนิยานิกระธรรมเนีย น, นิยานิกระโทเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวที่นาออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีคุณธรรมเพียงพอ ออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะนั้นคุณธรรมเหล่านี้จะต้องอาศัยอธิปไตยต้องมีคุณธรรมชั้นสูงอ่ะนะจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นะนแล้วก็ต้องเห็นต้องรู้เหตุจึงจะออกได้ถ้าผู้ไม่เห็นไม่รู้เหตุเนี่ยนะไม่มีเหตุหตัดโททัศน์โธเนี่ยออกไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะพันธะมองโดยรอบเนี่ยนะอย่างในสูตรนี้พระองค์กล่าวทุกขสับกับสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็กล่าวทั้งทุกขสมุทัยเป็นสภาพไม่เที่ยง ในยะเดียวกันก็เท่ากับประกาศนิโรธที่สงบประงับจากสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพราะว่าการเข้าไปพิจารณานั่นแหละคือข้อปฏิบัติเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อเมื่อรู้สภาพความเป็นจริงเหล่านี้เนี่ยนะต้องการจะผูกพันกไว้กับสิ่งเหล่านี้อีกไหมเราจะต้องการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นอีกไหมใ น, ในสภาพที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกหรือเนี่ยนะเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นสภาพที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะกาว่าจะต้องการประกอบต้องการผัวพันเนี่ยนะจะต้องการนิทานและปรุงแต่งให้สิ่งเหล่านั้นเกิดอีกไหมก็ไม่ต้องการอีกแล้ว น, นะเพราะอะไรเพราะว่าจะน้อมจิตไปในธรรมะที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้น้อมจิตไปในธรรมะที่สงบประงับในวิเวกเนี่ยนะในอมะตะพ้นจากพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าความตายสักทีด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะ ขันข้อปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่พัวพันในอุปาทานขันห้าจึงจะเป็นข้อปฏิบัติชอบนัต้องเป็นเป็นการออกจากขันห้านะถ้าข้อปฏิบัติใดถ้าเป็นไปเพื่อออกจากขันห้าข้อปฏิบัตินั้นเป็นสัมมาปฏิปทาแต่ว่าโดยรวมๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติหรือบัญญัติข้อปฏิบัติในโลก แม่กระทั่งธรรมมาหากินทั้งหมดนะนทุกวิชาในโลกโดยมากเป็นวิชาที่พัวพันในขันห้าเนี่ยนะต้องการขันห้าสร้างขันห้าผูกพันในขันห้าหมกมุ่นกับขันห้าแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนิยานิกธรรมของพระองค์ที่พระองค์สอนเป็นธรรมะที่สอนออกจากอุปาทานขันห้าถามว่าทำไมขันห้าจึงต้องออกเนี่ยนะ ก็อะนะถ้ามันป่วยแล้วอะไรขันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันป่วยแล้วจะรู้สึกไหมเอออยากออกจริงๆอนะตอนที่มันทุกอย่างอัศาธะาปรากฏอย่างเดียวก็กนะมันก็มันเหม็นเสียหายอะไรนี่นะก็ซ่อมแซมไปบำรุงไปใช้ไปอยู่ไปนะแต่ถ้ามันเดือดร้อนไปหมดเนี่ยจะรู้ว่าสมมตินะถ้าเขาให้อมาตะเนี่ยจะให้คุณณภาอยู่สักห้าหมื่นปีเนี่ยนะเอาไหมหเลี้ยงมันไปนะ มากไป <laughs> ไม่เอาเอลยนะให้มากอีกก็ไม่เอาโฟ ก, กาสเอาไว้สักแสนปีแสนปีเลยให้มากกันนิดหนึ่ง <laughs> ไม่ก็จับสมควรแก่แสนปีอะ่ะ <laughs> ให้อยู่แสนปีแต่ว่าสมควรแก่แสนปีอะ่ะนะสงสัยจะดามจนไม่รู้จะดามตรงไหนนั่นนะ ถ, ถ้าเป็นรถเนี่ยนะสงสัยฝากระโปรงนี่ก็ต้องเปลี่ยนไปะอะไรนี่ไม่รู้เปลี่ยนไปกีก่กกชุดไปแล้วนะ เอาไว้จางนิดสักล้านตีเลยนะซ่อมแซมสมควรแก่เนี่ยสมควรกันเนี่ยสภาพแบบไหนก็สรุปว่าอยู่ได้กันแล้วกันนกกะอาจจะกระงงกระริ่งบ้างกระองกระแรงบ้างอะไรบ้างก็ว่าก็ไปตามนั้นเนี่ยนะ ก, นก็ไม่เอาอีกกัน้นะท่านอยากออกจริงๆอีกกันนะเพราะว่าถ้าสมมุตินะถ้าอย่างชีวิตที่ทเรสมมติถ้าตายไม่เป็นเลยนะแล้วมันเจ็บปวดมันมีความรู้สึกแบบตอนนี้หมดเลยนะสมมุติอ้าวมัน แขนมันเปื่อยเนี่ยนะมันเจ็บเหมือนกันนะต้องมาเปลี่ยนอะไรอีกนะโอ้โหทั้งพร้อมกับความเจ็บปวดอย่างที่มันเป็นเนี่ยนะซ่อมแซมบำรุงอยู่ขนาดนะั้นมันจะเป็นภาระสักขนาดไหนเนี่ยนะยังก็ต้องการออกนะถ้าถ้าคนที่ยังถึงทุกโทษจริงๆจะต้องการออกแต่ว่าซาทั้งหลายปกติไม่ได้รู้โทษเพราะการเข้าไปรู้โทษของอุปาทานขันห้าอันนั้นคือเป็นปัญญาเนี่ยนะ เป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นโทษของอุปาทานขันห้าแต่ว่าโดยปกติทั่วไปลแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไหมเห็นว่ามันมีโทษไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลับไปเห็นว่าเป็นอัาธะอย่างเต็มที่อนะันนั้ยังอ้าวต้องการอะไรเช่นต้องการบ้านคือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมีบ้านแล้วมันเป็นภาระอะไรเลยนะให้มีไว้ก่อนอย่างเงี้ยสมมุติไหมให้มีรถแล้วปัญหาที่ผูกพันติดตามมากับเรื่องรถเป็นยังไงไม่รู้啊 มีลูกต้องการมีอะไรที่ดินต้องการมีอะไขอให้มันมีไว้ก่อนจะเป็นทายัางไงก็ช่างมันเถอะพันสัตว์ทั้งหลายจะมองในแง่อัศธาอยู่ตลอดเนี่ยนะมองทุกอย่างในแง่อัศธาก็จึงอยู่ด้วยความเพลดิดเพลินเนีเ่ยนะเหมือนพวกแมลงที่มันบินมาเล่นเนี่ยมันก็นึกว่ามันอัสาธานะมันสนุกนะแต่ว่ามันจะถ้าเป็นดีนะมันไฟอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นไฟแบบโบราณนี่ไม่รู้ตกลงตกลงใส่กองไฟเนี่ยตายไปสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะ มันก็พันถึงตายศัพว์ทั้งหลายโดยปกติที่เพลิดเพลินในอุปาทานขันหน้านะถึงจะตายไปสักเท่าไหร่ก็ก็ไม่ได้เห็นภัยอะไรเพราะว่าอยู่กับอัสาธะตลอดสร้างความหวังตลอดนะนั้นปกติของศาตราศาสตร์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นนั้นพระองค์เนี่ยจึงกรุณาไงว่าเขาเขาทุกข์ขนาดนั้นทำไมเขาไม่คิดจะออกไนะงก็เนี่ยคำสอนทั้งหมดนะ เธอเหมือนกับว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนทั่วๆไปคนมีกิเลส น, นะเบื่อที่จะพูดแล้วเดี๋ยวนะถ้าไม่มีกรุณาต่อสัตว์จริงๆนะเบื่อที่จะพูดอะคือเบื่อที่จะบอกอันนี้มันมีโทษนะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันเป็นโรคนะมันไม่ควรยึดถือถ้ายึดถือแลนำมาซึ่งทุกข์เนี่ยนะไปที่ไหนก็เพื่อไปพูดเรื่องนี้เพื่อให้เขาเห็นโทษเห็นภายในอุปาทานขันห้า นนะถ้าเห็นโทษมากเท่าไหร่ก็ไม่สร้างขันห้าหรือลดการก่อสร้างขันห้าไปเท่า น, น, นั้นนะก็เหมือนกับว่าเห็นโทษของอาวุธอันนัเห็นโทษของสงครามก็ทํายัางไงที่จะลดอาวุธขึ้นได้นะก็ไปเที่ยวพูดระยะสร้างเลยอาวุธมันเสียหายมันไม่ดีเนี่ย น, นะอันนะั้นในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นโทษของสงครามอย่างมากนะจึงจะมาลดอาวุธผู้ที่เห็นโทษภัยของอุปาทานขันห้ามากๆก็เหมือนกันจึงจะไม่ต้องการมาลด ตัหาเพราะตัญหาเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งกรรมเพราะตันหาเกิดนะมันต้องหาบริวารภาษาทางธรรมะใช้คาว่าบริขัรมันหาบริขันของมันถ้าตันหาเกิดตันหาที่ไม่หาบริขันไม่มีอะตันหามันต้องหาบริขันบริขันเขาคืออะไรตันหามีอะไรเป็นบริขันให้เป็นบริวารนะคนสนิทอะหาอะไรคุณบัญชุ ตันหามีเจตนาเป็นบริครันเป็นบริวารถ้าตันหาชอบสมมติถ้าเราชอบอะไรนะถามว่าไม่ชมมีไหมเอาอย่างนั้นนึกพอใจก่อนนะนะก็เจตมโนสันเจตนาก็เกิดเอาพูดชื่นชมอันนั้นก็เป็นวจีสันเจตนาถ้ามีพฤติกรรมนะเช่นไปจับไปอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะยกม้ยกมือเป็นต้นอันนั้นเป็นอะไร กายสังเจตนาเนี่ยนะท่านมีเจตนาเป็นเป็นบริขารเป็นบริวารนีนะถ้าไม่มีเจตนาเป็นบริขารเป็นบริวารนนะีตันหามันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีพิษสงอะไรเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าพิษสงของมันกคค็คือคือกรรมนี่แหละตันหานี่มันมีกรรมเนี่ยเป็นบริขารเป็นบริวารเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าเกิดชอบสิ่งใดนะีถ้าชอบเนี่ยโอ้โหครุ่นคิดสิ่งนั้นก่อนใช่ไหมอันนั้นเป็นอะไรกรรม มโนกรรมใช่ไหมทีนี้ก็พูดถึงสิ่งนั้นนะบางคนเนี่ยสมมุติถ้าเขาชอบสิ่งใด น, นะเขาคิดสิ่งนั้นอยู่มากครุ่นคิดอยู่เยอะแล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เขาชอบจนได้ไทีนี้กรรมนี่ก็ไม่ไร้ผลใช่ไหมกรรมก็คือกรรมอ่ะคนละแผนกับตันหาเพราะฉะนั้นถ้าตันหามันจะทําให้ฉันมีกรรมอ่ะฉันก็ร่าให้ผลแกไปเนี่ย มันถ้าเห็นโทษภัยของกรรมที่จะให้ผลก็ต้องเห็นภัยของตัณหาแต่ทีนี้ถ้าจะเห็นภัยในตัณหาได้ก็จะต้องรู้สภาพในสิ่งที่ตัณหาชอบว่าจริงๆสิ่งที่ตัณหาชอบไม่ใช่ของดีอันนี้อันนี้ต้องยอมรับเลยใช่ไหมถ้าไม่ยอมรับแบบนั้นอ่ะมาให้มันเลิกชอบได้โปรเทอรอย่าชอบเลยมันเป็นไ ม, ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่รู้โทษของสิ่งนั้นนะนั้น วัตถหุหรือธรรมะที่เพื่อออกจากตัณหาก็คือการเห็นโทษในวัตถุวัตถุที่ที่ตัณหาชอบซะนะคิดเห็นยังไงจึงจะรู้โทษของสิ่งนั้นอย่างสูตรกันก่อนนะกล่าวว่าเอ๊พิจารณายังไงจึงจะละเออจึงจะเห็นโทษในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะในรูปที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าปราถนากลิ่นรสโพธตพะธรรมรมณ์ที่น่าปราถนาเนี่ยเพื่อที่จะออกจากตัณหา ถ้าออกจากถ้าตันหาไม่เกาะเกี่ยวในวัตถุนั้นกรรมก็ไม่อย่างลงใช่กรรมก็ไม่นำเกิดนนแะแต่ทีนี้การรู้เห็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างสูตรที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่แหละก็คือการตามเห็นโดยสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองเออตัววันวหวนี่หมายหมายถึงอุปาทานขันห้าทุกขันห้า ไม่หวั่นไหวคือหวั่นไหวในที่นี้ก็คือไม่เที่ยงนั่นเองเป็นอีกศัพท์หนึ่งของคําว่าไม่เทียเ่ ย, ย ง, ง ป, ปรโตปรโตออนัตตาเจรโตก็กทุก อ, อ น, นิจจงปรโตโอก็อนัตตาเนี่ย น, นะถ้าสิ่งเดียวกันนะทั้งจรโตด้วยทั้งปรโตโอด้วยจะเป็นยังไจงจางเกย์ซ้ อ, น น, น, นะอนนี่นะสาธุอะนนั้นแหละ อันนี้จังด้วยใช่ไหมคือคืออุปาทานขันห้าสิ่งเดียวนี่แหละทั้งเจรโตด้วยเป็นสิ่งที่วันไหวแล้วปรตโตด้วยเอานันะฝ่ายอื่นนะั่นนะวันไหวด้วยเป็นฝ่ายอื่นด้วยแต่ขนาดนั้นเราก็ยังพอใจกับมันเอาตีนก็คือคือถ้าพูดอีกในหนึ่งน่ะนะถ้าพระองค์จะว่ายังไงก็ช่างเถอะมันก็ยังข้าพเจ้าก็ยังชอบอยู่ดีนะนะ เขาก็มีในเรื่องอะไรชังชอบในปายาปายาสิราชญญสูตรเนี่ยนะเก็พูดถึงว่าเออถึงท่านจะว่าอย่างนั้นนะะข้าพเจ้าเยอว่าเป็นอย่างนั้นแหละแต่ข้าพเจ้าคิดชอบอย่างนี้มานานนะข้าพเจ้าเห็นอมีความคิดอย่างนี้มานานแล้วใครๆก็รู้ว่าข้าพเจ้าคิดแบบนี้ทั้งนั้นเองเพราะงั้นข้าพเจ้าเปลี่ยนความคิดไม่ได้เนะหรือสรุปมันจะว่ายังไรก็ช่างอะก็คงเลิกไม่ได้หรอกทังนั้น เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเราไปพูดให้คนที่ติดบุหรี่งอมแงมเลยนะบุหรีเนี่ยนะเอาเอาภาพคนโรคมาโรคปอดโรคมะเรง็งปอดสราพรพัดโรคเนี่ยนะมาให้ดูนะเธอก็ก็เออเขาเห็นด้วยไหมเอาเห็นแต่ว่ายังเลิกไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ายังไงกับเขายังงีดิคุณมัญชูจะว่าไงกับเขาก็จะไปว่าอะไรกขาเนยเห็นะ <laughs> งไหมโอ้โหทําไมวางทาใจได้ขนาดนั้นนะ ไม่กรุณากันบ้างเลยเหรอจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมไปทุกเรื่องคนอื่นมากเดี๋ยวก็ป่วย